สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมดานเทกรกลับมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะครับเมื่อสมัยเด็กๆหรือว่าเราตอนที่ย้อนกลับไปเมื่อ 10-20 ปีก่อนทุกท่านอาจจะเคยเล่นซ่อนแอบกันใช่ไหมครับเรื่องราวของการที่เด็กๆ เ, เล่นซ่อนแอบและโดนผีลักซ่อนนี้เป็นเรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเลยนะครับและส่วนหนึ่งก็จะเห็นเป็นผลดีกับผู้ปกครองที่เอาวิคครูและสอนลูกหลานของตนจะได้กลัวและไม่เล่นอะไรแผลง ให้ผู้ใหญ่ต้องเป็นห่วงแต่เรื่องจริงๆของตำนานผีลักซ่อนจะมีหรือไม่มียังไงก็ยังไม่มีใครพิสูจน์ได้และก็คงไม่มีใครกล้าพิสูจน์ด้วยซึ่งเรื่องนี้ผมได้รับฟังจากปากของคนเท่าคนแก่มาอีกเหมือนกันเรื่องมีอยู่ว่ามีเด็กคนหนึ่งชื่ออ้อนเด็กชายอายุ ป, ประมาณ 8-9 ถึงขวบซึ่งเป็นวัยกำลังสนทุกๆวันอ้อนจะเล่นสนตามภาษาของเด็กผู้ชายและ ว, วันนี้ก็สนเหมือนเดิมทุกวัน ก็เลยไม่ค่อยมีใครให้ความสนใจปล่อยให้เล่นซนกันไปตัวผู้ปกครองเองก็จะได้มีเวลาทำมาหากินโดยที่ลูกๆไม่ต้องเมากวนตัวกวนใจให้ลำคาญและด้วยความที่เป็นเด็กด้วยความที่รู้เท่าไม่ถึงการไม่มีความรู้สึกนึกกลัวอะไรอ้อนจิงได้ชวนเพื่อนๆที่มีวัยเดียวกันอายุน้อยกว่ามั่งหรือมากกว่ามั่งเล่นซ่อนหากันซึ่งตอนนั้นก็เป็นเวลาพลบค่ำแล้วประมาณหกโมงยนกว่าๆเกือบจะทุ่ม แต่เด็กๆ ก, ก็ยังตื่นเต้นและสนุกสนานไปกับการเล่นกันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยจึงได้ตกลงที่จะเล่นซ่อนหากันจากนั้นก็รวบรวมเพื่อนได้ประมาณ 6-7 ถึงคนเมื่อตกลงกันได้แล้วใครจะต้องเป็นคนหาและใครจะต้องเป็นคนไปซ่อนซึ่งคนหาก็คือไอแดงส่วนไอเจ้าเด็กชายอ้อนและพวกเพื่อนที่เหลือก็แยกย้ายกันไปหาที่ซ่อนกันอย่างขมักขม้นเพื่อไม่ให้เพื่อนมาหาเจอจากนั้นไอแดงก็เริ่มปิดตานับหนึ่ง 2อสไปเรื่อยๆส่วนเพื่อนๆต่างก็คิดจะหาที่ซ่อนกันให้มิดชิดที่สุดน่าแปลกตรงที่ไอเจ้าอ้อนมองไปเห็นพุ่มไม้ใหญ่ไม่มากนักอยู่ข้างๆกับจอมปลวกใหญ่ซึ่งอยู่ในป่ารกด้านหลังหมู่บ้านซึ่งต้องเดินเข้าไปลึกอีกหน่อยเป็นที่หลบซ่อนคงจะเห็นว่ามิดชิดและหายากที่สุดแล้วสําหรับเขาสถานที่เล่นของเด็กๆนั้นก็เป็นหลังหมู่บ้านซึ่งเป็นป่าแต่ไม่ใช่ป่าทึบเพราะไม่ค่อยมีต้นไม้ใหญ่มาก ช่วงพบค่ำจึงไม่ค่อยมืดมากนะักและส่วนมากก็จะมีแต่ต้นไม้ยุงย ง, ยงลำต้นเล็กๆเท่าขาผู้ใหญ่ขึ้นนกกระเจี๊ยระกะอยู่เท่านั้นและเพราะเป็นป่าค่อนข้างโปร่งไม่น่ากลัวบรรดาพ่อและแม่ของเด็กๆจึงได้ยอมให้ลูกหลานไปเล่นแถวนั้นได้พอไอแดงนับเลขหนึ่งถึงร้อนับนานนะเนี่ยจึงได้ตะโกนถามเพื่อนว่าเอาด้วยยังแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับสักคนไอแดงจึงได้ลืมตาขึ้น แล้วก็เริ่มเดินตามหาเพื่อนเดินลัดเลาะตามหาอยู่ได้สักพักหนึ่งในที่สุดก็เริ่มหาเจ้าคนที่1คนที่สองคนที่สามตามลำดับจนเกือบครบคราวนี้ก็เหลือแต่ไอออนเป็นคนสุดท้ายแล้วแต่หายังไงก็หาไม่เจอส่วนเพื่อนก็คิดในใจไอออนนี่หาที่ซ่อนเก่งจริงๆเลยเว้ยแต่ก็ต้องตามหาต่อหาดูทุกซอกทุกมุมแล้วที่คิดว่าเพื่อนจะแอบหลบซ่อนอยู่ไม่มีวี่แววของเจ้าออน จนไอแดงเริ่มเหนื่อยแล้วเพื่อนๆที่เหลือก็นั่งรอยอยู่แถวนั้นแต่ก็ยังไม่ไวที่จะเหลือปเป็นพุ่งไม้ที่อยู่ตรงหน้าจอมปลวกจึงได้เดินปีกเข้าไปดูเพราะว่านี่คือที่สุดท้ายที่ยังไม่ไหาแต่ก็ต้องพบกับความบ้างเปล่าคราวนี้เริ่มเดินเอื่อยๆแล้วเพราะเด็กเริ่มเมื่อยแต่ก็ยังเดินหาแบบเอื่อยๆไปเรื่อยๆจนเวลาผ่านไปนานมากแล้วและก็เริ่มมืดเริ่มดึกขึ้นจึงได้เริ่มคิดที่จะตามหาเพราะทุกคนและไอแดงเองก็คิดว่า ไอเจ้าอ้อนคงจะหนีกลับบ้านไปแล้วเพื่อแกล้งให้ตนตามหาไม่เจอแล้วแน่ๆจึงได้พากันเลิกเล่นแล้วเด็กๆก็แยกย้ายกันกลับบ้านพอถึงบ้านไอแดงก็ได้อาบน้ําอาบท่าและก็กินข้าวกินปลาเรียบร้อยเตรียมตัวจะนอนแล้วแต่ประมาณพักหนึ่งพ่อแม่ของเจ้าอ้อนก็ได้มาตามหาเจ้าอ้อนที่บ้านของเจ้าแดงแต่เจ้าแดงก็บอกว่าไม่เห็นเพราะเพิ่งจะเลิกเล่นกันได้สักพักนี้เองแล้วก็ยังคิดว่าไออ้อน ได้แอบพวกเพื่อนหนีกลับบ้านไปแล้วและก็ไม่คิดอะไรแต่ทางพ่อแม่ของอเจ้าอ้อนกลับบอกว่าเจ้าอ้อนไม่ได้กลับไปที่บ้านเลยและนี่ก็ดึกมากแล้วด้วยและก็เลยชวนพ่อชวนแม่ของไอ้แดงไปช่วยกันตามหาและไอ้แดงก็ไปด้วยช่วยกันตามหาบ้านเพื่อนคนโน้นคนนี้ทีแต่ก็ไม่เจอจนครบทุกตู้บ้านได้เป็นเพื่อนของเจ้าอ้อนสรุปทั้งครบขอบครัวของเพื่อนเจ้าอ้อนก็ช่วยกันตามหาไอ้แดงแต่ว่าหายังไงก็ไม่พบ จนพ่อแม่เจ้าอ้อนเริ่มกระวนกระวายใจคอไม่ดีเพราะเป็นห่วงลูกจนต้องร้อนถึงผู้ใหญ่บ้านพ่อแม่ของเจ้าอ้อนได้ไปแจ้งความทางผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านแกจึงได้สอบถามถึงที่มาและที่ไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อไห ร, ร่ยังไงพ่อกับแม่ของเจ้าอ้อนจึงได้เล่าให้ผู้ใหญ่ฟังตามที่รู้จากการสอบถามเพื่อนๆเด็กๆด้วยกันแล้วสักพักแกก็นึกเอะใจเพราะพอดีนึกถึงเรื่องราวที่ผู้เฒ่าผู้แก่เคยเล่าแกได้ฟังตอนสมัยหนุ่มๆ ผู้ใหญ่จึงบน่นออกมาว่าทําไมถึงปล่อยให้พวกเด็กๆ เ, เล่นซ่อนหากันตอนพบค่ําโบราณเขาถือนะและป่านนี้เด็กคงจะหิวแล้วมังเนี่ยผีมันคงจะบังตาอยู่แน่ๆจึงได้ตามหากันไม่เจอและที่สําคัญถ้าเราหาเด็กไม่เจอภายในคืนนี้พอพรุ่งนี้เช้าเด็กอาจจะเป็นอันตรายได้เพราะผีพวกนี้มันมักจะเอาไปอยู่ด้วยพ่อแม่ของไอออนจากที่ใจคอไม่ดีอยู่แล้วยิ่งฟังก็ยิ่งตกใจขึ้นเป็นทวีคูณ เพราะก็เคยได้ยินเรื่องราวเล่าขานแบบนี้มาเหมือนกันแต่ก็ไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับลูกของตนเองแม่ของไออ้อนถึงกับร้องไห้เพราะไม่รู้จะทํำยังไงและก็เป็นห่วงลูกมากด้วยส่วนทางผู้ใหญ่บ้านก็นึกขึ้นมาได้กับผลทางที่พอจะแก้ไขเรื่องแบบนี้จึงได้แนะนําให้พ่อไออ้อนไปยืมของที่วัดมาและเมื่อพ่อแม่ของไออ้อนก็เห็นว่ามันไม่มีวิธีอื่นแล้วเพราะขนาดจุดธูปเทียนไหว้บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็ยังไม่ได้ผลจึงต้องลองทําตามวิธีของผู้ใหญ่ดู และหลังจากไปยืมของของที่วัดมาได้แล้วก็พากันไปยังจุดที่อ้อนและเพื่อนๆได้เล่นซ่อนหากันเสร็จแล้วผู้ใหญ่บ้านก็ได้พนมมือไหว้อธิษฐานไปที่ของเพราะเป็นของมีครูเสร็จแล้วก็ยกคล้องขึ้นมาตีเสียงของของดังกังวานไปทั่วป่าโปรงหรืออาจจะดังทั่วหมู่บ้านก็ได้และพ่อแม่ของไอ้อ้อนก็แข่งกันตะโกนเรียกลูกอย่างสุดเสียงอ้อนออนอ้ อ, อ น, ออนเอออยู่ในลูกได้ยินไหมเรียกไปมองหาไปเรื่อยๆสักพัก ทางไอแดงที่ใจจดใจจ่อช่วยมองหาเพื่อนอยู่ก็ได้ยินเสียงเสียงหนึ่งแว่วมาจึงหันไปมองตามเสียงที่ได้ยินว่าดังมาจากไหนเฮ้ยไอแดงข้าอยู่นี่ไอแดงข้าอยู่ตรงนี้ไอแดงก็เดินตามเข้าไปหาเสียงพร้อมกับหันมาบอกพ่อแม่ของไออ้อนว่าได้ยินเสียงของไออ้อนมาทางนี้แล้วก็ชี้นิ้วไปทางพุ่มไม้ที่อยู่ตรงจอมปลวกพ่อแม่ไออ้อนจึงรีบเดินเข้าไปดูปรากฏไปเห็นเจ้าอ้อนลูกชายตัวน้อยนั่งมองพ่อกับแม่ตาปิดๆอย่างไร้เดียงสา ทั้งใบหน้าเด็กน้อยเต็มไปด้วยคราบน้ําตาซึ่งบ่งบอกถึงการร้องห้ามมาอย่างหนักก่อนหน้านี้พร้อมกับมีอาการหวาดกลัวและตกใจอะไรบางอย่างพ่อและแม่ดีใจเป็นที่สุดได้เจอลูกทักทีจึงโผเข้ากอดลูกเหมือนกับไม่ได้เจอลูกมานานแล้วก็ละล่ำนลักถามลูกว่าพ่อกับแม่ตามหามาตั้งนานไปอยู่ตรงไหนมาเนี่ยทําไมไม่ได้ยินที่จะโกนหาเชียวเหรอไอ้เจ้าอ่อนก็ตอบพ่อแม่ด้วยเสียงกเครือว่าเห็นสิเห็นสิได้ยินพ่อกับแม่เรียกด้วย เห็นพ่อกับแม่ตั้งนานแล้วไอแดงกับเพื่อนๆด้วยแล้วตอนที่เล่นซ่อนหากันไอแดงก็ยังเดินมาหาหนูตรงนี้เลยแต่ไม่รู้ทําไมมันมองไม่เห็นหนูหนูนั่งแอบอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วก็เห็นพวกมันพากันเดินกลับบ้านหนูก็เริ่มเรียกพวกมันแต่ไม่เห็นว่าจะมีใครได้ยินหนูเลยและพอหนูจะลุกตามพวกมันกลับบ้านก็มีน้าผู้ชายคนหนึ่งมายืนอยู่ข้างหลังพูดเสียงดังๆว่าไม่ต้องลุกไปไหนให้หนูนั่งอยู่ตรงนี้หนูกลัวก็เลยไม่กล้าลุก พอพูดถึงตรงนี้จออเจ้าอ้อนเริ่มผวาหลอกแหลกตัวสันด้วยความกลัวแต่ก็เล่าให้พ่อกับแม่ฟังต่อตามภาษาเด็กที่อยากให้พ่อกับแม่รู้ว่าตนไปเจออะไรมาบ้างทั้งที่ก็กลัวแล้วก็พูดต่อว่าพอพ่อกับแม่มาตามหาหนูก็ยังเห็นพ่อแม่เดินตรงมาหาหนูหนูก็คิดว่าน่าจะเห็นหนูแล้วหนูก็ดีใจแต่พอเดินมาใกล้ๆพ่อกับแม่ก็เดินกลับไปและหนูก็เรียกไม่ได้เพราะน้าผู้ชายเอามืออุดปากหนูอยู่มือน้าเขาใหญ่มากน่ากลัว เ็นซ่าบด้วยแล้วเขาก็บอกว่าจะเอาหนูไปอยู่ด้วยหนูบอกเขาว่าหนูไม่ไปไม่เอาเขาก็ตหวาดดังเองจะต้องไปอยู่กับข้าและหน้านะเขาก็เปลี่ยนเป็นโครงกระดูกเ็นสา่าบเห็นเน้านูกลัวและเด็กอ่อนก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นตัวสั่นกันงกด้วยความกลัวอย่างหนักเพราะเรื่องแบบนี้มันหนักหนาเกินไปสำหรับเด็กอายุประมาณนี้แต่ก็เล่าให้พ่อกับแม่ฟังต่อด้วยเสียงอสั่นเถือนสะอื้นว่า หนูกลัวมากหนูก็ร้องไห้ออกมาพอก็เห็นหนูร้องไห้เขาก็จับมือหนูไปแน่นแล้วก็ยืนหน้าเข้ามาใกล้ๆแต่คราวนี้ไม่เป็นกระดูกแล้วคราวนี้ตัวเขาแห้งหน้าเขาแห้งตาลึกเข้าไปข้างในเนื้อแห้งติดกระดูกเหม็นสาบเน่าจนหนูเบี้ยนหัวหนูกลัวก็กลัวเลยหลับตาปี๋เลยแต่เขาก็ยังจับมือหนูไปแน่นหนูลุกไปได้แล้วพอสักแป๊บหนึ่งก็ได้ยินเสียงคนเยอะแยะหนูเลยลืมตาขึ้นมาดูหนูเห็นคนมาเยอะแยะหนูจะตะกนเรียก น้าหน้าผีก็เอามือเน่าๆมาปิดปากหนูอีกดวงตาเขาโปนออกมาสีแดงก่ามองไปทางพวกคนที่มากันเยอะแยะนั่นเขามองเหมือนโมโหและสักพักก็มีเสียงคนตีค้งสองถึงสมครั้งอ่ะมองมองมองน้าหน้าผีก็เลยปล่อยมือหนูไม่รู้ก็เป็นยังไงลงไปนอนดิ้นไปมาร้องโอยๆเอามืออุดหูมีเลือดไหลทะลักออกจาทางหูทางตาเต็มไปหมดหนูตกใจก็เลยหันหน้าหนีและพอดีหันไม่เห็นไอ้แดงก็เลยเรียก จนพวกพ่อกับแม่พากันเดิน ม, มานี่แหละและหันบางทีเขาก็หายไปแล้วเพราะทุกคนได้ฟังแล้วก็อึ้งและคนลุกไปตามๆกันและก็ไม่ไหวที่จะหันซ้ายแลขวาเพราะเสียวสันหลังวับๆ่ำอยู่และที่อึ้งที่สุดก็คือพ่อกับแม่ของเจ้าอ้อนเองนี่แหละเพราะสงสารลูกอย่างจับใจกับสิ่งที่ลูกเจอและผ่านใจหายว่บดีต่หาเจ้าอ้อนไปเจอแล้วก็พวกเขาจะต้องสูญเสียลูกชายคนเดียวไปแน่ๆ น, นี่ก็คือเรื่องราวของผีลักซ่อน ในเคสนี้ซึ่งอาจจะแตกต่างกับหลายๆเคสนะครับแต่ที่ผ่านมาก็มีคล้ายๆกันก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะหาเรื่องราวมาเล่าให้ฟังกันต่อนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ